นับหลายร้อยลาย ม, มากราบหลงพ่ออิชันมัเป็นทุกข์ใจอเนี่ยอ่สุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแต่ความเปจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์กทุกเรื่องก็ไปสบายคืออย่าไปทําอย่างนั้นสิไปทําอย่างนั้นมันทุกข์ เราก็อยากอยากจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราพวกเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้อืมก็เหมือนการเพื่อจะบรรเทาทุกข์อืมเพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญ มันเกิดมาจากเหตุของมันคือกิเลสทั้งหลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนะี่ยมันประจำอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก็ถามอาตมาให้ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องอย่างนี้หรอกมันเพิ่งเกิดเดียวนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันดนทุกข์เดียวนี้เหมือนมันมานาวแต่ฝนมันานาว้วนั่ น, นแหละอะมันทิ้งไปตรงโน้นเนี่ยมันเปรี้ยวไหม เนื้มาขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นน่ยมันมันมันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเราเอามาแตะลิ้นในเดือนมันเปรี้ยวขึ้นเดี๋ยวนี้เองอ่ะนี่ยมันเป็นใจอย่างนั้นจ้านี่ปัจจุบันนะทำเป็นตรงนี้ไม่ใช่ไอความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมาขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอสิ่งที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้อะเอาเข้ามาแตะริ้นแล้วก็มันเปรี้ยวขึนเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้อง ก็เกิดความไม่ชอบ เ, เกิดกิเลสเดียวนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่ม่นนอนเนื่องในใจเราหรอกนะมันเกิดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นไปปัจจุันาธรรมมาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเกินอเกินเป็นสิ่งที่สาคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการเรามาทำทานทำบุญสุนทานวันนี้ ก็จะมาบำรงพระพุทธศาสนาแต่ว่าให้รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าเราบำรงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็จะไม่ถึงพุทธศาสนาเอาบุญอย่างเดียวนั้นเราถึงชักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกัน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 ที่ท่านประธานไว้ทีกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าดักของท่านท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะดูดิเราดูเถอะ ท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่ในกับท่านกันหมดทางนั้น่ไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้านะเห็นมาเห็นพระพุทธเจ้ามหมอย่างนั้นนี่อืใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะอืธรรมะ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 เห็นเด็กมันทุกข์ไหมเห็นมันทุกข์แบบเด็กอืมฮเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกข์ไหมทุกข์มันทุกข์แบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้า่ันถึงชี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกข์ออกจากวตาสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันผูกเรานะเราไปผูกมัน อืบางทีก็ฉันพนทุกข์ไม่ได้หรอกได้ที่แต่เราไม่ทํามันแต่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำมันต้องมาพยายาิจารณาต้องเรียนธรรมะเอจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะ่ะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับมมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นนะอลองลอ ง, ลองดูทีว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดต้อเหตุนะเมื่อไรยโยมเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเรื่อมันเรื่องมันเกิดขึ้นมา ล, ายลอยๆอย่างนั้นเนียเมืเ่อเย่อเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนัดที่มันเกิดมาอืมก่อนทุกข์มันจะลําบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรนะคิดไอ้คนนั้นก็ดูถูกเราคนนั่นก็หนินท่าเราคนนั่นก็อิดช้าเรานี่ยตาก็คอ่อยๆซึมออกมานะ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 อย่างก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นเนี่ยมันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาแล้วมันก็ไม่หนักแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับมันนี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้มันไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็มันกันเี่นนั่นถ้าเรารู้เรื่องของมันจะไม่ไม่มีหน้าจะทุกเหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกข์มันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอ่ะ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 ถ้าเรารู้ถึงมันซะแ้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ออย่างเราเห็นต้นจนี่เป็นต้นตนคือตนเราที่นั่งอยู่นี่เป็นต้นก็เราเห็นตนกันแล้วนะที่ว่าเราเห็นต้นเนี่เห็นอยู่นี่ขาฉันนี่นี่แขนฉันนี่นี่เพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้เว่าเห็นต้นอืมไอ้ความจริงที่ว่าเห็นตนนั่นไม่ใช่อย่างนี้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 เห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นแีละแบบคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั่นอันนี้คนนี้ไม่ใช่คนเห็นตนอ่ก็เพราะว่าตนนั่นเนี่ยมันไม่มีจะ อ, อะไรมาเห็นมันเลยมันไม่มีต้นนี่รพระพุทธเจ้าสอนมาให้มีต้นแม่มันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยาก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 สองอย่างนี้มารวมกันแยกกันไม่ออกกันเลนะเหมือนบ้ากับพระอหรหันต์นี่เหมือนกันทีเดียวยแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันอืมน ะ, นะพระอดิจเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่านั้นเองเอ่อยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกัน ยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไอ้พระอาหารหันต์เจ้าต่างในยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นจังว่า ม, มันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ําที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแหง่งในปัจจุบันนี่แหละยังมีอยู่ออืืมไปกราบบ้าบ้าบอๆอยู่นั่นแหละ ก็ได้ไหวเป็นพระอรหันอยู่นั่นแล้วมันเป็นมาจากครั่งกุตธกาโน้นนมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราจันจึงเคยสอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลธรรมะทุกอย่างอย่างแท้จริงบารมุสมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงรลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมาให้รู้จักรู้จักผลธรรมะรู้จักทั้งหมด เมื่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาคนลาไม้ทั้งหลายแต่มารวมตอนนี้แต่ ก, กล้าอันนเดียวกันอืเท่านั้นเนี่ยให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่หลงไม่รู้ไม่ลืมเพราะเราจําได้แน่นอนดอืมจะไปะชี้ว่าไอไ้อราศาสตร์มันเป็นลํำไยล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปกับคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยๆดูจะว่าลำไยเป็นบางคุดหรือจะรลำไยเป็นดังส่าเราก็รู้จัก นะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมติเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเขาถึงจิตของพระองค์แล้วเป็นของปลอมทั้งนั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเนี่ยไอ้คำสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปถึงจิตของผู้ตุโชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันยังงั้นมันถึงบ้าคนด้อย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่ คำสอนของท่านอืมนี่มันไม่ไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคนระบุตรุษหลานเจียงปีนามันยากมันปีนาระบักเกินอืมอย่างเรามาทําบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทําบุญแต่ข้าพเจาก็เป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจโรคติดต่อกันบุญข้าพเจ้าก็ไปทําอยู่เรื่อยไม่แค่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดมันคนอะไอย่างกันอืมแล้วจะทําบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขอให้สุนัขกลายไปเป็นแมวไปเงื่อนเนี่ยมันคนในอย่างกันอืมมันคนในอย่างกันให้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งแอ้พระพุทธเจ้าแต่มามันเป็นไปอย่างนี้อืมมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่ารเราจะทําบุญมาให้มันเก็บมันไข้ ไม่มันอะไรต่ออะไรอย่างมันคนได้เรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงม่ไหวใจมันให้เราพานมันหนีไปซะอย่างนี้อืมเราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทําบุญสุนทานเดี๋ยวเนี่ยทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์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 นะเออหรือเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นเสีอย่างนั้นปัญญานี้ท่านตึงว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีคำนี้ยันกันเลยยันกัน 1 0อเปอร์เซ็น์เท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้ น, นไอความอยากนี้ไม่มีจบไม่มีจบตันหาคือความอยากนี่ยังนั้นพระพุทธเจา้าท่านว่าการทำก็ทำถเถอะให้มันเป็นตันหาการกินก็กินเถอะให้มันเป็นตัญหาการดูก็ดูไปเถอะ อย่าให้มันเป็นตัญหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตันหาคือทํโดยการปล่อยวางมันเช่นั่นก็อยู่ตรงนั้นเลยในคิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไว้ทําไมช้อนเอาไว้ตักแกงซดกัไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไมแต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่แต่เราไม่ทานช้อนหร อ, อกทานแกง ทาแล้วก็เก็บช้อนนำามอีกอถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คุณกินช้อนที่นี่เขาจะมาว่าแล้วว่าก็ช่างเขาแต่ความไปจริงเรารู้จากมาช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้ใครจะ่าเราเอาช้อนไปชดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจน นี่เรามีอยู่ในการปล่อยวางแล้วก็ใช่ช้อนของเราเรื่อยๆไปฮะเนื้อขันตักน้ํำเราเนี่ยโอ่งน้ําอย่างหนึ่งน้ําอย่างหนึ่งขันตักน้ําอย่างสามอย่างซีก็ตัวเราเนี่ยอืมแต่บาเราจงไหนแล้วจนต้องดื่มน้ำเรื่มน้ําจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันเนี่ยแต่เราพอเก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหว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 เดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาศัยตัวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติซ้อนกันสมมุติมันซ้อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนี่ยทว่าเรียกว่าต้นอืมตนเพื่อให้มันเป็นภาษา <S <S เฉยๆใ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจา้าตรัสสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบอะ้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตเุหตทุกเกิดขึน <S <S ้นมาอะไรมันเป็นคนได้อย่างละอย่างอย่ามันไปเกี่ยวพันกัน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 แต่ก่อนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักมันเราอยู่อย่างงั้นแหละมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการมันไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราเนี่ยไม่ใช่มันยุ่งเราเนี่ยไอ้ความไปจริงมันฝ่ายเดียวทั้งนั้นเนี่ยมันฝ่ายเดียวทั้งนั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดน่ะีือใครเป็นทุกถ้วยหรือเราเป็นทุกไม่ไปเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะ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 ดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยจริงๆเนี่ยเรไม่ต้องว่าเลยมันแต่ว่ามันเก็บๆไปเรื่อยๆมันระวังไว้อย่างนั้นไม่มีไม่มีเงินติดจะซื้อซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปอย่างเงี้คือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำ ม, มุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระทุ่ยไม่มีแล้ในบ้านหมดแตกหมดไม่มีใครร่างมันแล้วนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธจเจ้าแต่ฟังธรรมะแต่เข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผูท้ทิเกลียดคานต้องเป็นคนฉลาดแต่ต้องเป็นคนขยนันอืเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยนันรกระทำกระทำโดยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทําในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทแต่ยังสอนว่นาไอ้ทางานมันก็สบายทําโน่นทำนี่มันก็สบาย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 อย่างนี้เป็นต้นมันก็ลาบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอืออย่างพระพุทธจองค์ท่านสอนว่าออย่างคนเราเนี่ยบ่ถ้ า, าว่าทําทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนี่ยตายไม่ได้เกิดดอกเสียใจแสดงตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยา้มาเกิดดันแต่มันดีถ้าเราไม่ได้เกิดเดีวกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรเลยวุ่นขึ้นมาเลยนี่ เราไม่คิดด้วยที่เราทุกทุกวันนี่เพราะพระเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยชาติทุกชาติทุกปยาที่ทุกเพระยายพระความเกิดมาอมืถ้าหากว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแงพระพุทธเจ้าสอนว่ามาให้เกิดนะมันเป็นใจอย่างนั้นอืทีนี่ไอความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมา ได้เกิดมาแล้วมาให้เราไม่ให้เราเป็นโลกเป็นภัยให้เราอยู่สบายอายุก็ให้ยืนยืนมันมันคิดไปเสียอย่างนั้นเอพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นนะเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นแหละคือสมัครายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่เรายังไม่มีมาในมือเราเดียวนี้ว่าเราแสงหารได้มาเป็นตัวคนเดียว น, นี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ ที่มันมีเนี่ยอย่างกระโถนไว้เนี่มีถ้าซื้อมาใหม่ใหม่ก็ะแตกแล้วนี่ยมันแตกถ้าแต่เห็นมากระโถนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ผวเมเห็นต่างกันนะไอ้คนนึงใช้กระโถนไม่แตกคนนึงใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาสิมันดูดมือลวงวันหนึ่งสักกระโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้ที่ผัว่ามันแตกมาแล้วไอ้ผู้ที่ยังไม่แตกเพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้ทอนนั้นเนี่เนี่ยยังงั้นเห็นก่อนจ้ะ เมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรันสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นแหละแต่ยังไงแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะ่ะมันอดไม่ได้ถ้าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมละ่ะมีอะไรบ้างไหมเงินแสนทุกข์แสนยากแสนลาบากอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักอะไม่เห็นโทษมัน ท, มทําไมเจ้าเห็นโทษมันนะ เราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาให้มันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นะ่ะพระพุทธบริษัททั้งใายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะเพศไปก็ขัดกันไปเรื่อยขัดใจอย่างเราตายไม่เกิดอย่างนี้เนี่คือมันไม่ให้เกิดมานะถ้ามันมีแหละมันมันเป็นถีอบคําสอนของท่านที่อที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะ เป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิศกว่าเขาเห็นว่าเสมอกับเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกหละเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลี้ยวกว่าเขานี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เลี้ยวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยสำคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะ เป็นผู้เสมอเขาซํากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อย่างอีกเป็นผู้เสมอกวเขาซํากันตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้เฉียวกว่าเขาซํากันตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เรยวกว่าเขาซํากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เรียวกว่าเขาซํากันตัวว่าเรยวกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไหมที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เราเรามาดูถ้ามาดูถ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 วิธีคูนก็วิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆวิธีลบไม่มีวิธีแบ่งก็ไม่เคยจะมีเลยนะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบานีมันมีวิธีบวกก็วิธีคูนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเห็นะมันก็เกิดแบบกลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ามันเป็นใจอย่างนั้นเอีอย่างนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เนียมันจึงมีสองคำกุศลคือทำไปให้มีความฉลาดขึ้นอืม มีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบคอบในสิ่งที่เราได้มานั้นให้รู้จักคิดมาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ยก็าสามาบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานนะ่ะแม่กราบกราบพระพระที่ไหนตอบหลานไม่ได บุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทำไปทาไปเพื่อทำเงินไปเรื่อยๆไปอ่องอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้ยห้มันหลงเหมือนผลไามา้ในตะกรา้าในหลายชนิดก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมๆกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแลยไม่หลง มันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนเรารู้จักผลไม้ น, ะนานาชนิดอารมณ์ตะก้าเดียวกันมันจะทับ ก, กันอยู่ก็บช่งมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรตวอวไรเรารู้เราที้ถูกตึงนั้นเองถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็นช่างมันเถอะนะ เ, เรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้ มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็แจ้งมันเถอะเรา่วกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลาไยลางศาสตร์มันเป็นลังศาสตร์มันมันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้จะมความดีมาก็ยังไม่หลงดีอีกถึงมีความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนีมันดูไปถึงขนาดนั้ น, นแต่พระพุทธเจ้าก็ท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติธปฏิบัติ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 ตาหน้าที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพรมันอยู่อย่างนั้นไอความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้ายๆน้ําในโอหมดน้ําฝนแล้วก็แห้งเท่านั้น น, นี่ก็เป็นอย่างนี้ไอเรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยีก่ก็กลัวแล้วเอ๊ะบะคนี้มันสูงไปใช่นะรืล่านะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปทเนี้ยไม่ค่อยอยากจะพูดอกถ้าใครพูดจะคนจะแคงตะแคงในใจธรรมะ เลองไปพูดเนี่ยกับในวันฉันบรรดุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยบรรดุธรรมะไอความไปจริงคํานี่เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประพคศ์วันนี้ียกว่าบรรดุวัดหนองประพงศ์วันนี้ยแปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประโงศ์วันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประพงศก็ได้ถ้าพูดธปัญซาธรรมะเนี่ยบรวัดหนองประพงศ์ก็ได้นะ ถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเราบรรลุธรรมะก็ได้นี่ถ้าว่าบรรลุธรรมะเราตกใจคนเราน่แมเนี่ยมันก็เป็นไางนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันไนดะ้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งก็นั้นเนี่ยไอความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จธรมาว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไหม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 อันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเนี่เราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นธรรมะเนี่ยเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมเราก็เห็นพระสงฆ์อือันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มาเห็นชัดอันนั้นเราจับทันมว้ยัดเฉยๆนี่พระพุทธอยู่ที่ใจของข้า พอฉันทำอยู่ที่ใจของกาประสงค์อยู่ที่ใจนั่นแต่การประพฤติมันไม่เดียบร้อยนะไม่สมกับว่าประพุธอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าประทำอยู่ที่ใจประสงค์อยู่ที่ใจคือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะทันทีกว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไปแล้วนี่นนก็ตรัสธรรมะองค์ทํากัดส ร, รูนี่เด็ดกัดส ร, รูนี่ท่านไม่เอาไปแล้วท่านก็ทิ้งไปใน น, นี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนนี่นเนี่ย ไม่ได้เป็นครูมาแต่กําเนิด น, นะมาเรียนวิชาครูถึง ไ, ได้เป็นครูกันอืม๋ยวสอนโรงเรียนซะเดี๋ยวเงินร่ำเงินเดือนกันเขาอยู่ไป น, นานๆก็เลยตายไปนะเลยตายไปตายจากครูไปใช่ไหมถ้าพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอคไานะ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั่นยังไม่ตายคือคนนุณธรรมที่ทำครูนั่นให้เป็นครูนั้นยังอยู่ อย่างพระพุทธเจ้าพราะนริศรธรรมที่ทําให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายัางอยู่ไม่นี้ไปที่ไหน<ม>ก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็ได้เป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามนะธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานน์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนา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 แต่ก่อนก็เป็นชี้ธาตุตะกุมารถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนีะเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมบรรแท้จริงแล้วนะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นเองไม่แปรกันดอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะเข้าใจสัวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทําที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัตยธรรมแล้วเราทําชั่วหยุดที่นี่ ไม่เป็นไ ร, รไม่มีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะอืท่านยังอยู่ทึงวันนี้ยังพยายามคอยเจ้ประคับประคองพวกเราให้เดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นแต่เราไม่รูเรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนะี่ยจะทําทความดีความชัว่วที่ท่านไม่ได้สงสัยแล้วกนะ็ว่าท่ามีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยเอย๊ะทาชั่วที่ไหนมันก็มีและวทำไมไม่มีไม่มีใครเห็นก็เราน่ะเห็นเรานาะเออนะ่ะ ไปทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีละไม่มีกครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้อย่างนั้นทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่้นเทียนีว่ากรรมมันรู้ตาม <c oughs> ก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทำมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็มาตัดคำตัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงปพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติธปฏิบัติ บ, ตบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจนนี้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 นั่นก็เดียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามประธรรมยังมีอยู่เอือฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติด้านท่านจึงเคารพเคารพทําไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะอือนั่งอยู่นี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี้ไปไม่ได้เนี่ยนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพแต่พุทธรทประธรรมประสงค์อยู่สม่ําเสมอ น, นั่นไม่จืดจางอืออย่างนี้ไม่ได้รับ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 อันนี้อาตมาศีษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นเอออฮะท่า น, นปฏิวัติไปเถอะเดียวไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเรานั่งอยู่เตาโตมต้ต น, ตนไม้ก่อฟังธรรมท่านอยู่ยนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก่ฟังธรรมอะไรอยู่วะอาอตมาคิดไม่ได้เลยคือนไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันนี้มันมันมัน ม, มันตัวเกิดมาจากความบริสุทธิ์ ไอ้จำของขันทันเนี่ยจะพิจนารณาไงไม่ได้อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะ น, นั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสตัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอนตาตมาที่ไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่บอกไม่มีธรรมะนั้นมันไม่มีไมะมีนนมันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอธรรมชาติอันนั้นมื่ก็เป็นธรรมชาติมันเกิดดับมันอยู่อย่างนั้น ถ้าหากว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติเี่ยอะมันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับสัตว์มันก็ใส่ท่านั้นแหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นอภพอษัตว์นะสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันฉับนองมันเร็วมันไวนี่มันไว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 ครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็ได้มีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์จิตสมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเนี่เป็นมนุษย์จิตสมบูรณ์คือมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์จิตสมบูรณ์คือเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยในมันเกิดยากใครจะติดตามแล้วมันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติบันติวัตรยากมันถูกจุดเดี่มันญัติบัติยากเช่นง่ายๆง่ายๆง่ายๆงีงเต็ม เวรทั้งห้าประการเนี่ยสินห้าไอ้ที่พวกเราพุทธบริษัทตทั้งหลายแน่ๆสัมทานกันอยู่ทากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆนะถ้าใครมีสินห้าในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดเดือดเวสีธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุก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 อย่าง น, นี้อันนี้มันเป็นรากฐานแล้วจะมองมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไ ร, รมองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวนะสิน้าประการนี้เนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาสิน้าประการให้มีในใจอย่างแก่มไใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสวายนึกไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจ พ่อเราไม่ได้ทําอะไรทียุ่งพราะการก็ทําบาปทั้งหลายนี่มานึกมาแล้วที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มานึกขึ้นมาได้ก็สบายจนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบายกรรมใดที่ทําไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประคงนี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งเสียหน่ะ เออมามาต่อยเอาเสียงพระวัดประโงคไปใช่ไหมนะสมมติหรอกใครไม่รู้หรอกรู้คนเดียวแต่คนที่ทนะํานำวันนี้ก็มาทอดปลาปลา้วย ก, กันก็มามองเห็นเสียนพระหัดก็ไม่สบายอยู่างนั้นนะะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะคนที่รู้จักกันเองคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทําไม่สบายแต่คนที่ทํานี่แหละที่แกรมชั่วที่ทําแล้วภายหลังนึกได้เรือดน้อนกรรมนั้นไม่ดีเสีแล้ว เดีราตอ า, างองค์พระมาถวายไปในวัดบําเพงหรือวัดใดบัาหนึ่งด้วยศรัทธาของเราเนะเมื่อมาทําบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยก็สาบายใจแล้วนี่เนี่ยทำาปนานเนี่ยภายหลังคิดไปก็ไม่เรียดร้ อ, อนสาบายใจอันนี้อันนี้เราจะรู้เป็นปัิจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทําบุญทุนทานทุกวันนี้กเหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบํารุงพุทธศาสนา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 ให้เราเข้าใจใส่อย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทําบุญกันเสียเดียวการกระทํากุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยมูคาทําไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทําแล้ว่ห้มันได้บุญทีให้มันได้บุญให้มันได้บุญโดยจักถามไปกลับไปบ้านหน่อยไหมไปทอดปลาปลาได้บุญไหมได้ตีตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งชี้แจงให้ฟังก็ได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น นี่นี่คือความภาใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายนั้นมันเป็นอุบายเสืยอย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่แล้วแต่ว่ามันมีอยู่ต้องยกหยิบยกอันเืินขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะ สมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านายกไม่มีที่นั่นจะทําไงล่ะแกต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกระนนี่สมมุติว่านายกเนี่ยมันจะเป็นนายกอไหมยเป็นสมมุติแค่นายกวิ่งไม่ได้เนี่เป็นตัวกรได้สมมุติว่านายกได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้เนี่เป็นนายกโดยสมมุติแต่นายกคนนี้สําเร็จในการสมมุติจะใช้นายกไปวิ่งไม่ได้ เพราะมันเป็นตัวกอแล้วก็เป็นตัวกอให้เราอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกอไม่มีต้องเขียนตัวกอลงไปให้มันสําเร็จประโยช น, น์อย่างนั้นอย่างงั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ฟังไม่ได้เหมือนกันมันโผนไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสมัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทางมันเทอะบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่มีเวลาจะภาวนาทําไมขายของจาด อ, อขายของนั้นไหมไม่ได้ภาวนาอืโยงขายของโยงไปหายใจไหมหายไปจากกเอาทาไมมีเวลาล่ะ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทาไมไม่อึดลมไว้เนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราคิดว่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าบันนี้เราทําอะไรอยู่ เราผิดหรือไม่ไม่หรือเราถูกไม่เราสุขไม่หรือเราทูกข์ไม่อเาอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวเนี้ยเรียกว่าการภาวนากันมาดูเรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ดได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่ได้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอ น, นั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทําผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่เราก็ต้องรู้จักสิ รู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอความรู้สึกของเรานั้นอยู่เสมอทีเดียวนี่อย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวน่ยไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอ น, น, นั่นเนี่ยแม้จะเย็บจักรอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้เอ่มัมนก็เท่าๆอารมณ์หายใจเรานั่นเองเนีปฏิบัติเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะอะไรอย so, so, so, ู่ล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม่รับไปก็หายใจอยู่ถ้าไมมีเวลาหายล่ะนี่ทไมนี่นี่มีเวลาหายใจทำไมมันเป็นของจำเป็นเกินนี่เพราะว่ารมนี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันไม่เป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะ อเราจะไม่ทานอาหารคือลม ส, สักสักสองนอาทีก็ไม่ไหวเสียเดยวนะะเอ้าดิเอไเ อ, ไ อ, ไอไขนมอไอขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสักสามชั่วโมงเราไปทานมันก็ได้นะวันหนึ่งบางทีก็ได้เนะี่หกวันเกิดละเก้าวันก็ยังได้เลยอาหารแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนี่บางทีอึดใจไปที่เดินไปที่ไหนไปกี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะเดี๋ยวโอ้ นะลงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงจับอารมณ์ไม่ไม้หายใจขอพิจารณาอานาปาสตสตินี่เป็นมงคลกรรมฐานท่านจึงภาวน า, านั่งกำหนดพิจิณาลงเข้าออกนึกว่าพุโทพโธพโตคือให้รู้นั่นเองนะรู้รู้อาลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหเรื่ยลมลมเป็นของที่สําคัญมากที่สุดลมเป็นอาหารอย่าง ย, างยอดทีเดียวแหละนะนะ ถึงนอนดับอยู่ก็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอเนไม่ทานไม่ได้นะนอกจากมันตายกันแล้วแต่นี่น่ากระซนใจเนี่โอ้อันนี้ลมนี่น่ะมันสําคัญเหมือนกันน่ะเรานั่งกํำนดลมหายใจข้าออกเหยื่งเนี่ยไอความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดก็อืมลมนี่นะลมนี่มันสําคัญเกินนี่ยมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรถึงนั้นเนี่ยดูดิแต่มันออกไปแล้วมันเข้ามาก็ตายแต่นี่แต่มันเข้าไปไม่ออกเนี่ยก็ตายเดี๋ยวนี้ยเนี่ย เราเห็นในใกล้ๆกัมาอย่างนี้นะมันคือเป็นของที่มีกําลังกว่าอย่างอื่นแล้วได้สนใจในลมแล้วก็พิจารณากำหนดรวมพิจารณาเนี่ น, นี่ชุดเอาเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกําลมหายใจถอดอเสมอมันมีปัญญาหลายอย่างจะดูรมมอันเดียวฉะนั้นแหละทนันทีว่าลมอานาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐา น, น, นทั้งหมดเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธเจา้จาจัดจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลหมหายใจถออก เอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึกว่ารมเข้าออกเท่านั้นกับกำหนดลบแล้วนะจะนอนก็นอนกําหนดไปเถอะมีความรู้สึกจิตวิลมมันจะดับไฟอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลําบากแต่เรารู้จักหันแล้วนะอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายดูว่าภาวนากันเถอะอือทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์ มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเนี่มันแน่นตรงไหนมันเอาออกก้นออกมันสกกระบกตรงไหนมันทําตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดาำในภาวนาเลยม่เห็นชัดอมาเห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทําให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาเพื่อจะรู้จักธรรมะมันเป็นไซอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทางไหนเข้าใจเข้าใจเรี่องการภาวนาการทําบุญชุนทาน ให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทําอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นลนะูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเรานะทําอะไรรู้จักถึงนั้นนะไม่ใช่ทำปลอมๆไปแล้วลอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าสแสดงบุญกันได้กระเพิกุศลเข้าสแสดงกุศลด้วยด้วยกิริยพิจารณาอานาปานรัติธรรมกรรมฐานนี่กรรมาฐานนี่มันควรทํา จะเป็นทางโลกกาจริงจะเป็นทางธรรมกาจริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำอันนี้ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราปลองใสได้เสมอเราทาไปเราทำไ ป, ำไปมันจะเป็นปัจจัยต่างรู้จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้เราวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็นจะสู้ไอ้ความงงเงาฮานอนไม่ได้นะ บัดนี้ก็ได้เทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแห่งการบัญญายธรรมะมานี้ขออญาตโยมทั้งหลายจงมีกำลังภาระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาริยสติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศล แล้วไปประพิปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนะนำพร่ำสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเตื้องขึ้นจากความมืดหนาสาหโหจะเป็นจิต ท, ที่ของายอันนี้ไปทํารรมจะเป็นปัจจัดตางรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณประสี ร, รัตนใจจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลาย ที่มาสแสดงวุญในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขมีสุขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขมีสุขทุกๆุกคนเธอ